อุบายฝึกหลานของคุณตาเมื่อท่านเติบโตขึ้นพอปีนป่ายได้แล้วคุณตามักมีอุบายฝึกให้หลานชายทั้งสองคนคือพี่ชายและตัวท่าน ปีนขึ้นต้นไม้แข่งกันหากว่าใครปีนขึ้นไปถึงกิ่งนั้นกิ่งนี้ได้ก่อนคุณตาก็จะให้รางวัลปรากฏว่าท่านเป็นผู้ชนะพี่ชายทุกครั้งไปสำหรับของรางวัลก็คือผลไม้ป่าบ้างหรือข้าวจีบ้างข้าวจีหมายถึงข้าวเหนียวสุก ป, ปั้น เป็นก้อนโรยด้วยเกลือเล็กน้อยแล้วเอามาปิ้งไฟให้หอมหวนหน่ารับประทานคุณตาจะให้เพียงปั้นเดียวเท่านั้นไม่ได้ให้อะไรมากเมื่อคนน้องได้รางวัลมาแล้วคุณตาจะคอยแอบสังเกตดูอยู่ห่างๆตลอดมาพบว่า น้องจะแบ่งของรางวัล น, นั้นให้พี่ชายทุกครั้งไปและให้มากกว่าตัวเองเสียอีกคุณตาไม่เคยเห็นน้องห่วงเลยจนต้องได้มาพูดกับแม่ของท่านว่าบวนี uh ani, ay, th è th è ่มีน้ำใจมีความเมตตาแท้ๆนะมันรู้จักสงสารพี่ชายมันปีนสู้ไม่ได้ มันเลยเอาให้พี่ชายมันกินมากกว่าแทนที่ว่ามันผู้ไปปีนได้จะกินมากกว่าพี่ชายมันกลับกินน้อยกว่าพี่ชายดูสิมันมีน้ำใจนะไอ้นี่มันแปลกนะแปลกทุกอย่างทางั้งทั้งที่คุณตา ก็ให้ความรักแก่หลานทุกคนพอๆกันแต่คงเป็นด้วยอุปนิสัยที่มีน้ำจิตน้ำใจเช่นนี้นี่เองทำให้คุณตามักมีข้อชมเชยหลานคนนี้อยู่เสมอๆนิสัยอีกอย่างหนึ่งของหลานคนนี้ก็คือตั้งแต่เด็กแต่เล็กมาแล้วชอบที่จะเล่นกับสัตว์ เฉพาะอย่างยิ่งคือสุนัขยิ่งตัวไหนอ้วนๆดำๆด้วยแล้วยิ่งชอบหยอกเล่นด้วยจนถึงกับมีบางครั้งที่ทำให้แม่ต้องได้ดุได้ว่าเอาบ้างแม้ท่านจะชอบหยอกสุนัขอยู่บ่อยๆแต่อย่างไรก็ตามท่านจะไม่ยอมตีหรือแกล้งมันให้เจ็บ ตรงกันข้ามหาเขนน้องๆแกล้งมันคราวใดผ่านจะดุจะว่าทันทีคำสอนคุณตา สมัยที่ท่านยังเป็นเด็กอยู่มีคนมาขอใบพลูกับแม่ในคราวที่เขามาขอแม่แม่มักจะให้ทุกอย่างไม่เคยเห็นปฏิเสธเลยแต่พอมีความจำเป็นไปขอเขาบ้างทุกครั้งเขากลับไม่เคยให้เลยเรื่องนี้ลลานมักได้ยินคุณตาสอนเป็นข้อเตือนใจว่า เขาไม่ให้ครั้งที่หนึ่งก็อย่าไปโกรธให้เขาบางทีของมันอาจไม่พอให้แล้วก็คนเก่านั้นแหละให้ไปขอเขาอีกครั้งที่สองเผื่อว่าเขาได้อะไรมาเช่นพวกของป่าของอะไรอะไรก็ตามถ้าหาครั้งที่สองนี้ก็ไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปโกรธให้เขาบางที เราอาจไปขอเขาที่หลังไม่ทันคนอื่นของมันเลยไม่พอกันให้ลองกับคนคนนี้อีกเป็นครั้งที่สามถ้าไม่ได้ก็เลิกซะแต่ว่าอย่ากโกรธให้เขานะอย่าไปโกรธให้เขา